179ความเสถียรจึงย่างยืนเที่ยงแท้มั่นคงที่จิตใจถ้าได้เรียนรู้และฝึกให้เป็นสัมมาทิฏฐิจริงก็ต้องมีการแน่นอนจึงเป็นคุณสมบัติในคนที่จริงที่แสดงออกจริงอยู่กับสังคมกับโลกแท้ เพราะจิตใจฝึกฝนเปลี่ยนแปลงได้จริงๆแม้กายวาจาก็ฝึกฝนจริงได้จริงจนกระทั่งถึงที่สุดสำเร็จย่างยืนเที่ยงแท้ที่ใจชานี้แลจิตใจจึงเป็นความเสถียรสั่งสมความเป็นนิจจังทุวังสัตสตังอวิปรินามะธรร ม, มัง อสังหิรังอสังกุ ป, ปังอย่างเป็นจริงไม่ใช่เพ้อฝันเพราะได้เรียนได้ฝึกจึงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอัตตาจริงไม่ได้ทิ้งโลกทิ้งอัตตาไม่ได้หนีโลกหนีอัตตาไปจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกและอัตตา อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในยืนยันได้เป็นอากาลิโกเอหิปัสโกแต่ตรงกันข้ามผู้ที่ปฏิบัติชนิดที่เว้นขาดจากผัสสะเป็นปัจจัยจึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จรจิงความจริงที่ครบพร้อมทั้งรูป28 และจิต121หรือเจตสิเก89เหมือนที่แบบพุทธได้ศึกษาเรียนรู้กันก็เลยกลายเป็นคนจมอยู่กับอัตตาของตนเองโดยไม่รู้ตนรู้ตัวจริงๆอย่างไม่สามารถอย่างรู้อัตตาหรือมีวิธีได้สัมผัสอัตตาชนิดที่มี การสัมผัสโดยการกระทบปฏิฆะสัมผัสโสและไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงโลกในมิติต่างๆครบครันไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาตั้งแต่หยาบโอราริกะจนละเอียดถึงขั้นไม่เห็นรูปอรูปชนิดที่ รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตใจที่เป็นอัตตาและกำจัดความเป็นอัตตาของตนสาเร็จจริงและกำจัดความเป็นโลกที่ไม่พึงประสงค์ได้จริงผู้ที่บรรลุธรรมแบบพุทธจึงกลายเป็นคนผู้อยู่กับโลกกับอัตตาแต่ไม่ติดยึดโลกไม่ติดยึดอัตตา ไม่ผลักโลกไม่ผลักอัตตาไม่เป็นาธาตุโลกไม่เป็นาธาตุอัตตาแต่อยู่อย่างไม่มีความเห็นแก่โลกไม่เห็นแก่ตนมีปัญญาเที่ยงธรรมเพราะมีธรรมมาที่ประจายมีอำนาจที่เป็นธรรมะแท้จริง